นั้นลามอาสาสาัศสะปัจจัสมจึงเรียกว่ากายสังขาร <c oughs> เป็นเครื่องปรุงกายวาจีสังขารแปลว่าปรุงแต่งวาจาและแก่ ว, วิตกวิจาร ที่แปลว่าความตรึกความตรองวิตรกวิจารณ์นี่เองเป็นต้นของวาจาที่ทุกๆคนพูดก็คือว่าพูดจากใจที่วิตรกวิจารณคือที่ตรึกตรอง อาจจะกล่าวได้ว่าจิตใจนี้พูดก่อนคือตึดตรองขึ้นมาก่อนจึงพูดออกทางวาจาหรือว่าวาจาจึงพูดออกมาถ้หากว่า ไม่มีวิตกวิจาร์ขึ้นในจิตใจก่อนการพูดออกอะไรออกไปทางวาจาก็เป็นวาจาของคคนที่เพ้อคลั่งหรืออาการที่เพ้อ หรือที่กล่าวในเวลาหลับและจะไม่เป็นภาษาฉะนั้นวาจาที่ทุกๆคนพูดนี้จึงออกมาจา ก, กจิตใจที่มีวิตกมีวิจาร์คือที่ตุดรองฉะนั้น วิตกวิจารจรึงเรียกวิจีสังขารเป็นเครื่องปรุงวาจาจิตสังขารปรุงแต่งจิตก็ได้เกิดสัญญาเวทนาเวทนานั่น ก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญานั้นก็ได้แก่ความจําได้หมายรู้เช่นจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําโิตภัณฑ์จำธรรมะคือเรื่องราวเวทนาสัญญานี้เรียกกลับกันว่าสัญญาเวทนา เป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆความคิดไปต่างๆนั่นอาศัยสัญญาเวทนา สหากว่าไม่มีสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ไม่มีเวทนาคือรูป้เป็นสุขเป็นทุกข์รูปเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็คิดอะไรไม่ได้เพราะทุกทุกคนนั่น <c oughs> จะไปคิดในเรื่องที่โตดาไม่ได้ <c oughs> หรือว่าที่ลืมไปแล้วนั้นหาได้ไหมจะคิดอะไรได้ก็ต้องคิดได้ตามที่จำได้เท่านั้นอันที่จริงยกมอาสัญญาขึ้นมาหลังเดียว อธิบายอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ท่านยกเอาเวทนาขึ้นมาคู่ด้วยก็โดยที่สัญญานี้ตามวิถีจิตในขันท่าย่อมเกิดขึ้นอาศัยเวทนาคือต้องมีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข จึงจะมีสัญญาคืคอจําได้ถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็จําอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างคนที่ ดับความรู้ทางกายยาประสาทเช่นว่าฉีดยาชาที่ร่างกายเมื่อร่างกายส่วนนั้นชาไปแล้วหมอก็ทำการผ่าตัด หรือทำอะไรก็ไม่ก็ไม่มีความรู้เจ็บเมื่อไม่มีความรู้เจ็บก็แปลว่าสัญญาคือความจำในการที่หมอได้กระทำอะไร โครงร่างกายส่วนนั้นก็ไม่มีแต่หากว่าไม่ได้ฉีดยาชาเมื่อเอามีดไปปาดเข้าก็ดเจ็บเมื่อเจ็บก็จำได้ในอาการที่เจ็บนั้น ียกตัวอย่างเพียงการทำให้กายประสาทไม่รู้สึกเพียงข้อเดียวสหากว่าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นเวทนาทางจากักข ร, รประสาทโสตประสาทขานาประสาทจิวหาประสาท หรือทางกายประสาวะดังกล่าวนั้นด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายทุกส่วนก็ย่อมไม่มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่มีสัญญาคือความจำ ในส่วนนั้นๆหรือคนที่ถูกขิดยาสลบหมดความรู้ไปนในขณะที่สลบนั้นก็เป็นอันาจําอะไรในขณะนั้นไม่ได้เลยดัะนั้นสัญญานี้จึงมาจากเวทนาต้องมีเวทนาจึงจะเกิดสัญญา คือความจำได้หมายรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตที่คิดไปต่างๆที่ปรุงไปต่างๆจึงปรุงไปตามสัญญาเวทนาถ้าไม่มีสัญญาเวทนาแล้วก็จิตก็ปรุงไม่ถูก แม้จิตที่คิดปรุงไปต่างๆนังกล่าวนั้นก็รวมมีตกวิจารนังกล่าวมาข้างต้นในข้อวจีสังขารเขาด้วยเพราะวิตกวิจาร์คือความปรึกความตรองก็เป็นความคิด ไปของจิตอย่างหนึ่งซึ่งก็อาศัยสัญญาเวทนาดังกล่าวนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัญญาเวทนาจึงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตกายสังขาร ปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายวัจีสังขารก็มีมิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจาจิตตสังขารก็มี สัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี้แสดงอธิบายถึงเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตแต่ว่ายังมีการ ปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองของจิตเองคือกายที่มีการปรุงแต่งอยู่คือกายที่ยังประกอบกันเป็นกาย มีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆเช่นว่าอาการ 31-32 เก็สาผมโลมาขนนาคาเล็บดันตาฟันเป็นต้นผมเองก็มียาวขึ้นไปได้ ขนเองก็มีการที่ดังอยู่หรือที่หลุดก็งอกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนี่เป็นต้นเป็นความปรุงแต่งของกายตลอดจนถึงที่เป็นอวัยวะภายในต่างๆที่ตับปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ เป็นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ทำการให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นต้นไปอยู่ตลอดเวลาหนี้เป็นอาการปรุงแต่งของกายเองซึ่งเป็นไปอยู่ไม่มีหยุดโมจีสังขาร ว่าจะเองที่พูดออกไปก็พูดกันอยู่ทุกวันตามที่ควรพูดหรือแม้ว่าที่ไม่ควรพูดจิตที่คิดนึกไปก็คิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดแปลว่าอาการปรุงแต่งของกายของวาจาของจิตเองก็ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดเหมือนกันนี่ก็เป็นสังขาระฉะนั้นชีวิตนี้อันประกอบด้วยกายหรือวาจาที่จิตด้วยจิตดังที่กล่าวมายกเป็นตัวอย่างเพียงสามข้อนี้ เป็นสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดตั้งแต่เกิดมาหยุดเมื่อไรก็คือตายเมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นสังขารคือปรุงแต่งปรุงแต่งตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของบรรดาคลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรื่อยไปจนถึงตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งนี่เป็นอาการของชีวิต ซึ่งต้องมีการปรุงแต่งกันอยู่ดังนี้ตลอดเวลาไม่หยุดหยุดปรุงแต่งเมื่อไรก็ตายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางฟังสงบสืบต่อไปบัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ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 ในข้อสมาธิตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กรับเรียนถามมาทีละตอนทีละตอนโดยลำดับจนถึง ตอนที่ท่านพระสาริบุตรเทระได้ตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอื่นต่อไปอีกคือสมาธิทีิความเห็นชอบ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 และท่านได้แสดงอธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักอวิชชาอาวิชชาก็คือไม่ยังรู้ในทุกไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่ยังรู้ในความดับทุกข์ไม่ยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชาก็คือไม่รู้จักว่า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 มีสมมติที่ความเป็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรกไม่รู้จักอวิชชาอาวิชชานี้ เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าเป็นก่อนเหตุสำคัญแห่งกิเลส แลกกองทุกทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นกฎรัเบแสดงอวิชาไว้ เป็นข้อตน้นและบรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอันมังเกิดนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดา ดองจิตสันดานซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยก็มีอวิชชาเป็นข้อสำคัญและได้มีพระพุทธาธิบายอาวิชชา ดังที่ท่านพระสาริบุตรได้นำมาอธิบายคือความไม่อย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ได้แสดงอวิชาสี่ไว้ดังนี้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 จะได้แสดงคำว่าอาวิชชาและอวิชชาในอริสัต์ทั้งสี่นั้นก่อนอันเป็นข้อหลักอวิชชาแปลตามศัพท์ว่าความไม่รู้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 ว่าสิ่งที่มีความไม่รู้ก็จะเป็นดังก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เป็นต้นซึ่ง ไม่มีความรู้อยู่ในตัวแต่ว่าอันบุคคลแม่สัดเดรดชานทั้งหลาย ย่อมมีความรู้อยู่ในตัวดังคนเราก็มีความรู้อะไรๆ อ, อยู่ในตัวฉะนั้นจะเรียกว่ามีอวิชชาได้อย่างไร จึงมีคำอธิบายให้ชัดขึ้นว่าวิชานั่นเป็นข้อที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่ แกสัตวโลกทั้งหลายซึ่งมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือว่ามีจิตกันซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้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 หรือปัญญาฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำตอบ ว่า wow.